ออพากันตั้งใจแบบนี้นะเรามันทุกคนมันตกอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมดาเหมือนกันหมดให้พากันรู้ไว้ออกฎธรรมดาเนี่ยเราจะ หลีเกเลียงไม่พแน้วก็จะบังคับให้เป็นไปตายตามใจหวังไม่ได้ที่ท่านกล่าวว่ากฎธรรมดาใหมายความว่าสิ่งที่มันเป็นขึ้นแล้วนั้ น, นจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันนี่นะ เราต้องพิจารณาดูว่าดวงจิตนี่แหละเรียกว่าอยู่ใต้อำนาจแห่งกฎธรรมดาเหล่านี้เ อ, อเหตุต่างนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์เพราะว่ากฎธรรมดาเหล่านี้มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็จมแปรผัน อ, อืเมื่อมันแปรผันวันไว้ไปมา มันก็กระทบกระทั่งกับดวงขีดนี้ดวงขีดนี้ก็เป็นทุกข์ที่นี่นะเพราะมันได้กระทบกับสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนอย่างเช่นว่าเราไปยืนอยู่สะพานไม่อันเดียวอย่างนี้นะมันก็โอนเอ็นไปมาอยู่นั่น จะตกแลไม่ตกแลอย่างนั้นแต่กว่าทางที่จะตกนั้นมากกว่าละทางที่จะยืนอยู่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ไอ้จิตใจที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันก็เป็นอยู่เหมือนกับไปยืนอยู่ไม่กลมๆไม่สะพนันไม่ลำเดียวระหว่างห้วยนั่นแหละแล้วไม่มีเราจะจับ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นจิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เราก็ไม่มีหวังที่จะพึ่งร่างกายนี้ได้ตลอดไปมันจะวิบัตรแริแปรพันธไปวันไหนก็ได้ตามการเวลาของมันเราจะบังคับว่าให้อยู่ไปก่อนให้มั่นคงไปก่อน อย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังใดลองพิจารณาดูให้ดีนี่นหละจึงว่าดวงคิดที่มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอยากให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้จักตรงนี้ให้มากมากทีเดียวเพราะเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันจะได้เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้ เราอยู่ด้วยความ ง, อ น, งนอนแงนคลอนแคลนไม่มั่นคงอะไรเลยพวกคนไม่รู้อย่างนี้แนตะ่ส่วนมากมันจึงลงจึงเมาอยู่กับโลคสนิวัตอันนี้จึงไม่หาทางออกเลย อ, อันผู้ที่ครองเรือนทั้งหลายหากแต่เอาใจใส่กับการบุญการกุศลกับวัดวาศาสนา เข้าเต็มความสามารถอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้นั้นน่ะเห็นโทษของวัฏฏะสงสารอันนี้แล้วอยากแก้ออกจากวัฏฏะสงสารอันนี้เราจะออกโดยทางอื่นก็ไม่ได้ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นพาหานะนำดวงจิ ต, ตัวงนี้ออกจากโลกแห่งความทุกข์อันนี้ไปมันถึงไปได้ ไม่เหมือนอย่างรูปกายอันนี้รูปกายสมัยปัจจุบันเนี่ยเนี่กว่ามียานพาหานะเช่นรถเช่นเรือเช่นเครื่องบินเป็นวัตถุที่นำไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่ทุกข์ร้อนมากมายพอ น, นั่งไปเฉยๆอันนี้ส่วนรูปกายมันก็มีพาหานะนำไป ส่วนดวงจิตนี่สิแม้ว่าจะนั่งงานภาหานะอะไรไปอยู่ในโลกอันนี้มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดั่นแหละเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติไม่เที่ยงนี่มันจะได้ความสบายอยู่ตลอดไปไม่มีรอกเรื่อมันนะส่วนจิตใจบุคคลผู้ใดสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นเท่าใดนั่นก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างงานพาหานะ สำหรับรองรั บ, รรบดวงขิตนี้เพื่องานพหาหนาคือบุญกุศลนั้นจะนำไปสู่ความสุขความเจริญอันมั่นคงได้มีทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางอื่นที่จะนำดวงขิตนี้ไปสู่ความสุขความเจริญได้ เหมือนอย่างความคิดเห็นของบางคนบางลทัทธิเมื่อทำการบวงสรวงบูชาปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระเจ้าเสียแล้วเดี๋ยนี้พระเจ้าจะได้นำดวงจิตนี่ไปเกิดอยู่สวรรค์ด้วยตลอดอนันตการด โ, โดยที่ผู้นั้นไม่ต้องละกิเลสตัณหาอะไร เพียงแต่แสดงตนว่ายอมรับเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นลูกสิทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็จะมารับเอาไปเลยอันนี้นะละัตถิภายนอกพุทธศาสนาเขาก็แสดงไปอย่างนั้นแหละแต่นักปรัชญ์ผู้มีปัญญาได้พิจนารณาดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของขตนไม่ใช่ว่าเราจะไปอาศัยแต่อำนาจผู้อื่นช่วยเหลือตนอ้อย่างนี้มันไม่มีหรอกเหตุผลไม่เพียงพอเลยมันต้องอาศัยตนของตนนี่แหละทำความดีเข้าไปอย่างนี้นะความดีคือบุญกุศลอันนี้จับเป็นญาณปหานะรองรับดวงจิดนี้ไปสู่ที่สุขสบาย เมื่อเมื่อหากว่าการกระทำความดียังไม่เต็มบริบูรณ์มันก็ต้องมีการไปมีการมาให้เข้าใจไว้ก่อนสำนวนอันนี้นะคำว่าไปนะ็หมายความว่าจิตติญญาณละจากร่างอันนี้ออกไปแล้วมันก็มีบุญกุศลคุณพระรัตน a กล a นั่นเป็นญาณพานะรองรับเอาดวงจิตนี้ไปสู่ที่สุขสบาย อก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าท่านผู้ส <No ั่งสมบุญกุศลให้เต็มบริบูรณ์แล้วท่านไม่ได้ไปไม่ได้มาไม่มีอาการไปอาการมาฮไปก็ไม่ไปมาก็ไม่มาต้องเข้าใจอย่างนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนคําว่าธรรมของจริงเนี่ยมีอันเดียว เมื่อมีอันเดียวแล้วไม่มีการไปกันมาเลยลองดูสิเหมือนอย่างสิ่งของอันหนึง่งเราทิ้งไว้ที่เดียวนั้นนะ่ะอย่างนี้นะของนั้นไม่ไปไหนอ่ะอยู่อยู่นั่นแหละต่อเมื่อมันมีสองคือมีมือหนึ่งมาจับมันเคลื่อนออกไปแล้วมันจึงไปได้ถ้าไม่มีอะไรมาจับมาทำให้มันเคลื่อนอนะ่ะมันจะไม่เคลื่อนเลยจะอยู่ที่นั่นแหละจิตใจนี้ก็เช่นนั้นแหละ เมื่อละอาสวะกิเดตหมดสิ้นไปแล้วมันไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะมาจูงใจในี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันก็หยุดนิ่งอยู่ที่เดียวเลยไม่มีการไปไม่มีการมานีไ่ไม่มีสูงไม่มีต่ำอ๋อพระพุทธเจ้าจึงตรัสพานิพานว่าโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่พระอาทิตย์มาคำว่า ปฏิเสธหมดเลยอันเอาว่าพระนิพพานานะไม่ได้อยู่ในธาตุเหล่านี้ไหมยก็ว่าอย่างนั้นแหละขอให้เข้าใจออาท่ า, านั้นจะอยู่ที่ไหนกระทั่งกับพระนิพพานก็ไม่มีนะสิอ๋อพระพุทธองค์ก็ตรัสแล้วว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกอืก็หมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกนี้นั่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้โลกหน้า คำหมายความหมายความว่าโลกคำ ว, ว่าโลกแล้วมันจิต ด, ดวงนี้มันไม่ได้อยู่เลยอ่ามันไม่ได้อาศัยคำ ว, ว่าโลกนี่อยู่เพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมาโน่งเหนี่ยวให้ดวงจิตนี่คล้องอยู่ในโลกทั้งโลกนี่โลกหน้าหมายคขาว่าอย่างนั้นแหลอะอืทั้งสถานที่ต่างๆดังกล่าวมานั้น มันหมดเหตุบดปัจจัยแล้วจิตนี้ก็เลยเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมอันไม่เคลื่อนไหวไม่มีปัจจัยพรงแต่งให้เป็นไปอย่างไรต่ออย่างไรอีกต่อไปได้นั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของชีวิตผู้ที่เห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารหากจะไปถึงที่นั่นได้ สรุปแล้วก็อาศัยบุญคุณนี่เท่านั้นเองนะไม่ได้ไม่ไม่ใช่อย่างอื่นบุญคุณคุณนี่หมายความว่านอกจากคุณพระรัตนกรัยแล้วก็คุณมารดาบิดาคุณครูาอาจารย์และและผู้มีพระคุณทั้งหลายต่างๆในโลกนี้เราไม่ประมาทนั่นแหละเราไม่ประมาทเรานับถือไปหมดเลย ขึ้นเชื่อว่าสิ่งที่มีคุณแล้วไม่ประมาททั้งนั้นแต่ไม่ได้ยึดถือเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้แต่ทั้งไม่ประมาทและสิ่งที่มีโทษทั้งหลายในโลกนี้เมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือแล้วก็ไม่สะดุ้งหวัดนั่วต่อภัยต่างๆหรือต่อโทษต่างๆเพราะว่าได้ละเหตุปัจจัยที่จะให้ เกิดทุกข์เกิดโทษดังกล่าวนั้นหมดเสแล้วเช่นนี้นะเราจะกลัวอะไรบ่อนี้ก็ไม่กลัวแนละ้วอภัยทั้งหลายมันก็มาทําอันตรายได้แต่ร่างกายเท่านี้เองมันจะทําอันตรายจิตใจไม่ได้เลยอขอให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นอาการประกอบกุศลคุณงามความดีในพระพุทธศาสนานี่จุดมุ่งหมาย กฎดังกล่าวมานี่เองนะขอให้พากันเข้าใจทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าไอดวงจิตนี่นะเมื่อมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดมันก็ตกเป็นทาสของตัญหาความโลภโกรธหลงมาในสงสารนี่รับไม่ท่วนแล้วที่เลสเหล่านี้มีทั้งดีทั้งชั่วเอาคำมัน จิตตรงนี้มันคิดดีได้มันก็ทําดีไปเมื่อมันคิดชั่วขึ้นมามันก็ทําชั่วไปกคำดีคำชั่วเนี่ยนำพาดวงจิตตรงนี้ให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นทุขมาในสงสารนี่แล้วก็โดยอาศัยก ร, รมคุณนี่แหละเป็นเหยื่อรอให้ติดอยู่ในวัฏฏะทุกข์อันนี้ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ต่างๆโมนี่นะนี่แหละเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ให้พากันภาวนาพิจารณาดูให้เห็นตามเหตุผลดังกล่าวมานี้ผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะพิจารณาเห็นได้ว่ า, าขึ้นชื่อว่า กรรมคุณความรักความชัง ต, งต่างๆในที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราทั้งหลายนี่นะมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรละทั้งนั้นเลยไม่ควรชื่นชมยินดีกับมันเพราะมันมันก่อเหตุให้เกิดทุกข์มาแล้วนมนานชาติใดๆที่ร่วงแล้วมาที่เกิดมาเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดี ถ้าไปเป็นสัตว์นร ก, ก็ยิ่งเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวทุกข์น้อยหนึ่งก็ไม่มีได้สวยแต่ทุกข์ทนทรมานตลอดเวลาอย่างนี้นะเอ้าถ้าถ้ามองไม่เห็นนรกดูตั้งแต่สัตยริชานนี่ก็แล้วกันสัตยริฉานนี่มันกระจัดอยู่ในกาพวกอบอายอภูมิทั้งสี่เนี่ยสัตยริชา น, นี่มันเป็นทุกข์ขนาดไหน ก็ลองคิดดูกันแล้วกันยิ่งสมัยทุกวันนี้นะสัตว์เดรัจฉานยิ่งเป็นทุกข์หลายเพราะว่ามนุษย์ก็เลิกใช้สัตว์เดรัจฉานเป็นพาหานะลากลอ้อลากเกวียนลากขา้าวลากไถต่ถางๆไปแล้วเลี้ยงไว้แล้วก็ไปขายให้เขาเอาไปค่าเอาาเอชือดเนื้ อ, อขายเลี้ยงขีปนกันอยู่ยนั้นนี่นะ ดูแต่สัตว์ริงเดรัจฉานนี่ก็แล้วกันแหละว่ามันเป็นทุกข์ขนาดไหนมันไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยอ่ามนุษย์จูงไปฆ่ามันก็ไปตามมนุษย์ไม่ไปก็ไม่ได้เลยอันนี้มันก็อยู่ในพวกอบัยภูมิทั้งซีให้คิดดูนั่นแหละแต่นี่ไอภูมิของสัตว์เดรัจฉานนี่นะ นี่มันทุกข์งเบาด้วยนะนี่นะมันเบาแล้วอ่าถ้าเป็นภูมิเปรตอสุรกายมันก็นหนักเป็นทุกข์หนักกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่อีกเนี่ยแับนี้ถ้าไปตกนรกอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักกว่าสามภูมินั้นอเอานรกก็ยังมีอ่าหนักมีเบาขัวกันแบบนี้อ้าวผู้ทุ่ที่มี บาปนักเต็มที่มันก็ไปสู่อเวจีมหานรกในท่านกล่าวไว้ว่าอาเวจีมหานรกนี่นะเมื่อตกลงไปแล้วไม่มีที่จะโผล่ขึ้นมาเหมือนอย่างนรกอื่นๆเลยจมอยู่นั่นทนทุกข์ทรมานอยู่งั้นท่านกล่าวไว้ว่าพระเทวทัตได้พยาบาทเวียดเบียนพระพุทธเจ้า แ, แผ่นดินถูกเอาไ้ไหม้อยู่ในเอเวจีนั่นพระเทพทันร่างใหญ่บนี่กรรมบาปกรรมมันตกแต่งให้สูงศีรษะกระจมเข้าไปสู่แผ่นเหล็กในนรกนั่นนะไอ้เท้าก็จมลงไปอยู่ในแผ่นเหล็กข้างล่างนั้นบ่นี่แขนสองข้างก็วาออกไป มือก็จมเข้าไปในผนังเหล็กน้นดิ้นไปมาทางไหนก็ไม่ได้เลยแล้ววันนี้นก็มีเหลาเหล็กพุ่งเข้ามากระทบเอาหน้า อ, อกนี่แล้วก็ถอยไปแล้วก็พุ่งเข้ามากระทบเอาได้เสวยทุกขเวทนาอยู่นั่นจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้ได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้น ตลอดจนว่หมดกรรหมดเวนอันนั้นลงเมื่อใดท่านกล่าวไว้ว่าอายุของสัตว์ที่เป็นตกอเวจีมหานรกรนี่เดี ว, ว่านับไม่ได้เพราะองค์เจ้าเปรียบอ่าว่าในพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อต่อพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนั่นแหละนี่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนี่ แผ่นดินสูงขึ้นได้โยอดหนึ่งไม่ชาววันไม่ชาววันนานเท่าไหร่นั่นนะจนว่านับไปได้วนะันเถอะพระองค์เจ้าจึงตัดเอาแผ่นดินมาเทียบเอาเลยว่ากลัวว่าพระพุทธเจ้าแต่แล้วพระองค์จะมาตัดธารุต่อจากกันไปนะั่นนะแผ่นดินนี่สูงขึ้นไปได้โยอดหนึ่งนะนี่แหละสัดที่ไปตกอเวจีมหานรกนี่อ่าย่อม ทนทุกทรมานอยู่นานจนนับไม่ได้เลยเอา้ามระลกอนอกจากอเวจีขึ้นมาแล้วก็เป็นโมระลกใหญ่อันนี้ก็ได้รับทุกทรมานแต่ท่านก็กล่าวว่าในลูกเหล่านี้สัตว์ไปตกลงไปแล้วมันยังมีเวลามันร้อนหลายมันเดือดร้อนหลายตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำมาสู่บนบกได้อยู่ช่วระยะหนึ่ง แหล่วนานยญาบาลก็จับซัดลงไปในนรกนั่นเองอยู่อย่างนั้นแหละจนกลัวว่าบาปกรรมอ น, นั้นมันจะเบาลงไปพอบาปกรรมนั้นเบาลงไปแล้วพอไปตกนรกบริวารอีกอนรกบริวารเนี่ยมีสองร้อยโนนะนรกใหญ่แท้ๆมีแปดขุมออย่างนี้เมื่อไปตกในรกในบริวาร น, นั้นจนบาสเบย บาปกรรมอันนั้นมันมันหมดไปหลายแล้วไม่สามารถที่จะอยู่ในนรกนั้นนั่นแล้วพ้นจากนรกอันเป็นบริบาลนะจึงได้เกิดไปเกิดเป็นเปรตนู่นนะ่อ่าพ้นจากเปรตก็ไปเป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะแต่เราดูดสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็เป็นทุกข์พอแรงอยู่แล้วนะแล้วทุกข์ในนรกอบัยภูมิ สูงกันไปกลัวนั้นนะยิ่งทุกข์หลายนี่แหละพากัพิ่นาดูถ้าเรามองไม่เห็นด้วยตาทิพย์ในอับรรยภูมิสามแห่งนั้นเราก็ดูสัดย์ิษานนี่แล้วก็พอที่จะตื่นตัวได้อพอที่จะเอาเป็นคติมาเตือนใจวันนี้สัตริษานเป็นยังไงบ่เนี่ไม่มีปัญญาพูด ภาษาออกมาก็ไม่ได้มีแต่ร้องอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีปัญญาอันไดที่จะทำความดีได้เลยมีแต่เป็นสมบัติของมนุษย์เท่านั้นแหละมนุษย์จับออกมาใช้สอยหรือจับออกมาฆ่าเชือดเนื้อต้อมแกงกินเท่านั้นเองนี่แล้วสัตว์ประชลาดก็เือว่ามีบุญน้อยตัวไหนมีบุญน้อยหมู่ไหนมีบุญน้อย เอาก็อาหารการกินก็ยาบอยู่กินก็ลำบากแสนทุกข์แสนทรมานเอามีมนุษย์และสัตว์อื่นเอารบกวนหมายหมายความว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนั่นแหละนี่นะยเป็นอยนู่งี้อันสัตว์ฉาญก็เลยหาความสุขไม่ได้อันมนุษย์เราเนี่ก็ยังมีกฎหมายคุ้มครอง อก็ยังชั่วหน่อยแต่ถึงอย่างไรแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังไม่พ้นจากความวุ่นวายเพราะมนุษย์เหล่านั้นก็มีกิเลสเป็นเครื่องบันดาลให้กระทํากรรมดีกรรมชั่วให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างที่เราทั้งหลายก็รู้ ร, รู้ก็เห็นกันมาอยู่อตั้งแต่เกิดมาแต่ละคนจนเท่าจนแก ก็ได้ประสบภัยพิบัติอันตรายต่างๆมามากมายภัยเกิดจากน้าท่วมไยไหม้ลมพัดมาอย่างแรงเอาบ้านเรือนพังพินาศลงไปภัยสงครามภัยแรงเกิดความอดอยากขึ้นไอ้ผู้พูดอยู่นี่พ่อแม่เล่าให้ฟังว่าเกิดตีอดอยากเพิ่นว่าอย่างนั้นนะ ปีนั่นเน่ยอดอยากเข้าอกระบุงละอเข้านั่นช่างละหนึ่งบาทเงินสมัยนั่นเงินหนึ่งบาทมันเท่ากับเงินพันบาทสมัยนี้นู่นเนี่เนี่ยถือว่าแพงมากทีเดียวเข้าช่างละหนึ่งบาทดังนั้นไอเรามันก็มีบาปอันหนึ่งเหมือนกันนะ มาเกิดในยุคในสมัยที่อดอยากกันแต่ถึงกระ น, นั้นพ่อแม่ก็รักลูกก็สามารถเลี้ยงลูกให้เจริญไว้ใหญ่โตมาได้เมื่อมาคิดคำนวณคืนหลังไปยังมาไปเห็นชาติความเกิดของตัวเองนะ่ะเออนี่มันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงๆคิดอย่างนี้นหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ถอย หลังคืนไปหามันอีกขึ้นชื่อว่าโลกสงสารอันนี้จึงไม่ได้กลับไปหามันอีกอันนี้ถ้าใครไม่คิดให้ละเอียดถี่ถ่วนก็จะมองเห็นว่าโลกเนี่สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยสนุกส น, นานดีอ่าอย่างนี้แหละเมื่อพิไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ่วนลงไปมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหมู่มนุษย์นี่ มันก็มีปัญญาเหมือนกันแต่มันเป็นปัญญาโลคีมันก็คิดประดิษฐ์ประดอยสิ่งเครื่องใช้ไม่สอยสิ่งอำนวยความสะดวกให้มากมายในสมัยปัจจุบันนี่นะ่ะเพราะว่าวิทยา ศ, าศาสตร์มันเจริญมนุษย์เร า, มาเมื่อเกิดขึ้นมาก็มาเห็นสิ่งที่เขาปรับปุงตกแต่งขึ้นมาว่าสวยว่างามดังนั้นอย่างนี้เราก็ติดใจ พอใจอยากจะได้เดินลนแสวงหากันมาหาเงินหนาทองได้มากมายแล้วก็ซื้อของที่ต้องการมาเช่นรถลายานพระหะนะัสนั่นนะั้นนาเครื่องประดับปันดาราคาเป็นแสนเป็นล้านก็มีสมัยปัจจุบันผนะู้มีเงินหลายก็ซื้อกันประดับปันดาเข้าไปก็ลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้น นึกกว่าตนนั้นมีความสุขพอแล้วไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศลไม่คิดบำเพ็ญทางจิตใจเพื่อให้หลุดให้พ้นไปจากโลกอันนี้มันจะคิดยังไง้วาขเพราะมันพอใจอยู่ในโลกนี้นี่มันเห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยเพราะอาศัยบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นแหละมาตกแต่งให้ อจึงได้อยู่ในสถานที่โอทองมีเฟอร์นิเจอร์สิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้มากมาย ก, กายกองอ่อย่างนี้แล้วก็หาได้นึกไม่ว่าโอ้บุญกุศลที่เราได้ทํามาแต่ก่อนนี่มาตกแต่งให้นี่มันก็ไม่เที่ยงมายังยืนหนอมันหมดเป็นบุญนี่นะถ้าบุญนี่หมดลงไปแล้วชีวิตนี่ก็แตกทําลายลง เครื่องเครื่องใช้ไม่ถอยเครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านี้ก็มีแต่ชำรุดทุดโทรมไปก็เหมือนอย่างสมบัติของคนในอดีตที่ล่วงแล้วมาเลยเอลองลอ ง, ลองคำนวณดูสิแต่ ก, ก่อนนะั้ท่านกากาวไว้ว่าก็ร่ำรวยกันก็สร้างบ้านสร้างเมืองกันใหญ่โตมโหฬารมีทรัพย์เงินทองเขา้าของอะไรข่มมากอย่างนี้นะ แล้วเมื่อมาถึงในปัจจุบันนี้นะสมบัติของคนเหล่านั้นไปไหนเสียแล้วทำไมจึงไม่มีเหลือมาให้หลานให้เหรนให้หล่อนได้บริโภคใช้สอยได้ได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายได้นั่นลองลองพีจนรณาดูสินี่แหละกฎธรรมดานะ่ะกฎธรรมดาของโลกมันเป็นไปอยู่อย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราเป็น บริษัทของพระพุทธเจ้านั้นจึงไม่ควรนอนหลับทับติดจูควรลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวน า, าทำใจสงบรับงับลงไปแล้วเพจารณาดูกฎธรรมดาของโลกอันนี้ดังที่ชี้แจงให้ฟังมานี่นะน่็คงจะพอเห็นได้ไม่ใช่เหลอนี่แหละคงจะเห็นได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัย เราก็รู้เราก็เห็นกันอยู่เกิดมาแล้วแต่ว่าส่วนมากเห็นเฉยๆรู้อยู่เฉยๆแต่ไม่ได้เอาไปคิดไม่ได้พิจารณาว่าทิ้งเหล่านี้น่ะมันอำนวยความสุขให้ตลอดไปหรือไม่หรือมันอำนวยความทุกข์ให้ก็มีนี่นะมันไม่ได้เอาไปคิดเทียบเทียงกันเลยอ่ะคนผู้หลงผู้เมาอ่ะอย่างนั้นพอจะไป เห็นแต่สิ่งที่มันอำนวยความสะดกให้ชั่วคราวเท่านั้นแล้วกดติดอยู่อย่างนั้นเลยไม่นึกถึงว่าเราจะได้เสวยสุขอย่างนี้ไปอ่ายืนยาวนานเท่าไหร่นั้นไม่ได้คำนึงเลยอย่างนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อไม่ได้คำนึงในรูปวัตถุต่างๆแล้วก็ไม่ได้คำนึงเข้ามาหาดวงจิตนี้อืมว่าดวงจิตนี้ เมื่อละจากร่างอันนี้แล้วจะไปยังไงอาศัยสิ่งใดนําไปถึงจะมีความสุขความสบายได้เช่นนี้ก็ไม่ได้นึกได้คิดอีกแล้วคนหลงคนเมานะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าได้คิดได้ถ้าสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนานี่แล้วเมื่อคิดเข้ามาถึงตอนนี้แล้วก็จะนึกได้ว่าออืพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลจะมีความสุข ในขั้นใดๆก็ดีตั้งแต่ความสุขแต่ย่างต่ําจนถึงอย่างสูงสุดได้เพราะอาศัยการสั่งสมบุญกุศลแล้วก็อาศัยการละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้แหละถึงจะได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงสุขอย่างยิ่งคือผานิพานอันซึ่งไม่มีเหตุปัจจัยอันไรจะนําไปสู่ทุกข์อีกต่อไปในผานิพาน ถ้าเป็นชาว พ, พุทธจริงๆภาวนามันต้องพิจารณ า, นานมีโอปนายโกโนมเข้ามาในจิตใจน้อมเข้ามาหาดวงจิตนี่ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานของกายของวาจานี่น ะ, ะผู้ที่นำกายวาจาไปนู่นมานี่ทำอนั้นทำอันนี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างก็จิตดวงนี้เท่านั้น เอาผู้เสวยทุกทนทรมานแสดงความร้องไห้รำไรออกมาทางวาจาทางกิริยากายหมนิมันกร้วนตั้งแต่จิตนั่นแหละมันร้องไห้แล้วมันไม่ได้พี่นาให้เข้าไปถึงนั้นคนส่วนมากเมื่อจิตมันร้องไห้นั่นแหละมันก็จึงบัญชากายวาจาให้ร้องไห้ออกมา แสดงความทุกข์ความโศกอะไรออกมาทางกายทางวาจานั่นเมื่อบุคคลผู้ภาวนาหากได้พิจารณาเห็นดังกล่าวมานี้พิจารณาเห็นเหตุเ ห, เหเ็นปัจจัยของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็จะเกิดนิพิ ธ, ธาความเบื่อหน่ายขึ้นเพราะว่า ความหมุนเวียนเนี่ยมันหาความสุขความสบายไม่ได้เลยดังจัดยกตัวอย่างให้ฟังจิตใจของคนเราในปัจจุบันอย่างเนี้เมื่อไม่รู้เท่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความรักความชังขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อกิเลสเหล่านี้มันครอบงําจิตใจมากจิตใจก็ดิ้นรน กระซับกระายไม่หยุดไม่ยัง้งนอยก็หมุนไปหาความโกรธนอยก็หมุนไปหาความโศกเศร้าเสียใจอย่างนี้เอา้าเมื่อเรื่องหมุนันดับลงไปแนละ้วผเดี๋ยวก็มุนไปหาความรักความใคร่อ่าจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนให้สงบระ ง, งับ ไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นย่อมหมุนเวียนไปมาเป็นวัฏจักรอยู่กับอารมณ์เหล่านี้เองนะนี่ในปัจจุบันนี่นะลองสังเกตดูให้ดีอันจิตใจที่เป็นอย่างนี้แหละเมื่อละโลกนี้ไปแล้วมันจึงหมุนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายไปอีกอยู่อย่างนั้น เรามาพิจารณาในปัจจุบันนี้เป็นหลักก็พอที่จะสังเกตเห็นได้เพราะพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าวั ต, ตะโตโลโก โ, โลกอันนี้มันหมุนไปว่างั้นนะวันนี้เมื่อยดลงมาอะไรพาหมุนนั่นแหละกิเลสกรรมวิบาก สามอย่างนี้พาดวงจิตหมุนไปในปัะตาวสงสารนี่ได้เสวยสุขบัง่งได้เสวยทุกบัง้งเป็นอย่างนั้นกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอันนี้แหละเรียกว่าเป็นเงาใหญ่ของบรรดากิเลสบริวารทั้งมวลเหล่านี้มันนาให จิตใจนั่นหมุนไปอยู่ไม่หยุดยั้งเลยถ้าบุคคลใดมาสั่งสมกิเลสอันนี้ให้หนาแน่นขึ้นในใจิตใจแล้วอ่าเป็นอย่างนั้นก็อย่างเช่นความโลภอย่างนี้นะเมื่อบุคคลไม่มีคุณธรรมคือไม่มีสันตุถีธรรมหมายความวาใจิตใจนั่น ไม่ยินดีตามมีตามได้แล้วเมื่อไปเห็นของคนอื่นมากๆเขามันก็อยากได้เกระซับกระใสเข้าไปอย่างนี้เมื่อความอยากมันมากท่วมท้นจิตใจพอๆเรามันก็ต้องไปหลอกลวงท่อโกงเอาของเขามาเป็นของตนอย่างนี้ น, ะนั่นแหละมันมันหมุนไปอยู่อย่างนี้นะ เมื่อความโลภมันครอบงำแล้วได้มาเท่านี้แล้วก็ไม่พออยากได้อีกอได้มาเท่านั้นแล้วก็ยังไม่อิ่มนี่ลักษณะอาการแห่งความโลภมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อความโลภมีแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างได้ทำกรรมชั่วก็ มันก็บรรดาให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ให้ประพฤติผิดในกรรมให้กล่าวมุสาวาท ด, ดื่มทุราเมลัยกัญชายาปิ่นเฮโรอี น, นเล่นการพนันขันต่อซ่องสมกันเป็นโจรเป็นขโมยขี่ปล้นยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพไปนี่เมื่อความโลภมันเกิดขึ้นในใจยองมากเรา มันไม่มีปัญญาที่จะไปหาเอาโดยทางสุจริตนึกว่ามันไม่ทันกับความอยากเขาหาไว้มากๆแล้วไปแย่งเอาดีกว่ามันได้มาช้สอยไวรวดเร็วดีเนี่ลองคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้แหละเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ไม่พอใจกับสิ่งที่บุคคลหรือว่า สิ่งของอันใดก็ดีหรือบุคคลก็ดีซึ่งแสดงอาการต่างมาตนไม่พอใจเข้ามาแล้วก็โกรธอ่าโกรธแล้วก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันเบียดเบียนกันเมื่อเบียดเบียนกันก็ผูกใจเจ็บต่อกันไว้กรรมอนนั้นมันก็นำดวงขิตนี้ไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในโลกหน้ากรรมนั้นมันก็นำ ชีวิตอันดวงขีดอันนี้ไปพบกันอีกเมื่อไปพบกันแล้วมันก็ทำให้ทะเลาะวิวาทกันอีกเบียดเบียนกันอีกถ้าหากว่าไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความไมายบาทนั้นตราบใดมันก็จะเป็นกำผูกพันกันไปอยู่อย่างนี้นะเกิดไปชาติใดก็ไปทะเลาะวิวาทกันไปเบียดก่อทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่อย่างนี้เหตุต่างนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าโลกมันหมุนไปตามเหตุตามปัจจัย แม้ความหลงก็เหมือนกันนะความหลงนี่เมื่อบุคคลหลงแล้วก็หมายความว่าเห็นผิดไปจากความเป็นจริงนั่นนะจึงเรียกว่าหลงเห็นสุขว่าเป็นทุกข์ไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้นะเห็นสุขว่าเป็นทุกข์อย่างไรอ่ะก็ ยกตัวอย่างเช่นไอเรามาฝึกผนอบรมกันอยู่ในวัดวาศาสนาอย่างนี้เรารู้ทำคำสอนของพระตัวเจ้าแล้วคิดใจสงบระ ง, งับเยือเกเย็นสบายดีอย่างนี้นะแต่คนผู้ที่ไม่ได้ฝึกผนอบรมใจมีกิเลสหนาแน่นอยู่ในใจมาเห็นนั่งเงียบเงบสงบ่เนี่ยเฮ้ยมานั่งทนทุกข์ทรมานทำไมอะ่ะคนเหล่านี้ นุ่นไปเต้นลําอยู่ในบาร์นุ่นดีกว่าอ่ามันสนุกสนานดีเด่มเหล่าเมาสุรากับแก้มอะไรต่ออะไรดูมหรศศพคบเงนินอะไรสนุกสนานดีนี่แล้วอยู่อย่างนี้จะมีความสุขอะไรเล่าอ่านี่แหละเรียกว่ายกตัวอย่างให้ฟังเราบุคคลที่เห็นเห็นความสุขกว่าเป็นทุกข์ไปอืามันในผู้ที่เห็นทุกข์กว่าเป็นสุขนั่น ก็หมายความว่าเช่นอย่างว่าได้ไปดื่มเหล้าโมซูล่าเมาแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสุขเนี่ยได้นั่งกินแก้มกับเหล้าแล้วอย่างเนี้ยคุยกันเราถือว่าสนุกสนานดีอ่าแบบนี้พวกติดฟินเมื่อได้เอาหัวจุ้มกันเข้าไปนอนตะแคงต่อกันดูดฟินแล้วคุยกันเนี่ยโวย้สุขสบายมากเลยทีเดียวว่ อ่าอย่างนี้แหละพนเหล่านี้ยนะเห็นความทุกข์ว่าเป็นสุขไปออแท้ที่จริงแล้วดื่มเหล้าเมามาจนไม่ได้สติแล้ววันนี้ก็ทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตายอย่างนี้นะเขายังเห็นว่าเป็นสุขสบายอยู่คิดดูนั่นแหละแม่ผินกันซามันนี้กับมึงกันนะมันติดแล้วไม่มีเงินจะซื้อกินซื้อโูกอย่างนี้มันก็เดือดร้อนนะไปจี้ไปปล้นไปแย่งชิง ถ้าหากว่าองศาขนาดใหญ่มีเงินมีทองมันก็เป็นโรคกวนเอาจากญาติพี่น้องไม่ให้ก็ทบเอาตีเอาอะไรโมนี่มีอยู่ทัองไปโมนี่เขายังคิดไม่ได้เลยว่ามันเป็นทุกข์ขนาดไหนการท่องเสพของเสพติดเหล่านี้นะคิดไม่เห็นเขายังว่ามันเป็นสุขสบายอยู่นี่แหละลักษณะอาการในความหลงมันเป็นอย่างนี้ แล้ววันนี้ไอ้ความหลงเรื่องที่พึ่งบะนี้น่ะี่ก็เรื่องที่พึ่ง น, น, นะ น, งงนี่คนเกิดมาในโลกนี้มันก็มีภัยอยู่รอบด้านภัยภายนอกเช่นฟ้าพานา้ำท่วมไฟไหม้อ่าโจรขมโมยจี้ปล้นหมู่นี้นะนี่เรียกว่าภัยภายนอกหรือสงครามภัย เกิดสงครามขึ้นมาหมดนี้นะคนเร า, เ, าเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ยอมหาที่พึ่งได้บมดนี้นะอา้อาวเช่นฟ้าแม่ฟ้าแผดเสียงเข้ามานี่กลัวตายเอาใครถืออะไรเป็นที่พึ่งกนนึกถึงสิ่งนั้นบุคคลผู้มองไม่เห็นที่พึ่ง อ, อันประเสริฐก็ถือ มงคนตื่นข่าวกันสืบต่อกันมาจากผู้ญาตายายเมื่อผ้าแผดผ้าเพียงผ้าผ่าลมแรงก็ น, นึกถึงเทวดาอินพรมนึกถึงเจ้าแม่ทรณีนึกถึงภูมิเทวดาอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยขอให้สิ่งเหล่านั้นมาช่วยตนให้พ้นจากภัยพิบัติอันตรายเหล่านี้ อย่างนี้นะนี่แหละคนไอความหลงชนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งอันนี้นะมาที่นี้เมื่อผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยพิจารณาดูคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นถือว่าคําสอนของพระองค์นี้มีเหตุมีผลเพียงพออ่าเป็นที่พึ่งจิตใจได้จริงๆอย่างนี้ พูดเช่นนั้นแล้วก็ไม่นึกถึงสิ่งชักชิดภายนอกดังกล่าวมานั้นเวลาภัยพิบัติมาถึงเข้าก็ต้องยกมือใส่หัวแล้วก็นึกถึงคุณประพุทธประธรรมประสงค์นึกถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทําบําเพ็ญมานี่มาเป็นที่พึ่งออันประเสริฐของตนเมื่อนึกถึงบุญถึงคุณอย่างนี้แล้วมันก็หายกลัวแบบนี้นะ เพราะว่าตนเคยภาวนานโน้มเอาบุญเอาคุณเข้ามาไว้ในใจอยู่เนื้อวใจสงบระงับสบายอยู่แล้วแต่เมื่อเวลายังปกติไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นนี่ตนก็ได้ความสบายเพราะได้ที่พึ่งได้คุณพรรัฒนาไกลได้บุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการรักษาสินการภาวนาฟังธรรมเหล่านี้นะ แล้วก็อุ่นใจอยู่ตลอดเวลาอยู่ยงี้แล้วทีนี้เมื่อภัยพิบัติ ด, ดังกล่ามานั้นดังกล่ามานั่นนะ่ะบางเกิดขึ้นนี่เรื่องอะไรที่จะไปนึกถึงสิ่งภายนอกซึ่งมองไม่เห็นเลยส่วนคุณพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นมาอย่างไรเราก็ได้ยินได้ฟังนะมาแล้วอย่างนี้น ะ, ะพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในประเทศอินเดีย เราสองสองพันห้าร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วนี่มันก็มีประวัติเป็นมาอย่างนี้อยู่ไม่มีไม่มีเสื่อมไม่มีหายจากโรคนี้เพราะประวัติความเป็นมาของพระเจ้าเอพระระองค์ทรงพระคุณอย่างไรอย่างไรเราก็ได้ฟังกันมาอยู่พลังอย่างนี้แหละเหตุที่พระองค์จะได้เป็นว่าพระพเจ้าก็เพราะพระองค์ได้สร้างบา ร, รมีมาอสามสิบประการมาในสงสาร จนขน า, นานับชาติไม่ทนเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้เป็นภูมิใหญ่ถ้าพระองค์ไม่มีบุญบารมีมากมายเช่นนั้นอะอเทวดาเอ็นพรมมนุษย์ผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะไม่เคารพนับถืออย่างนี้แหล ะ, ะที่นี่เมื่อคนทั้งหลายได้เห็นว่าพระพุทธเจ้านะั้นพระองค์มีบุญหนักถกใหญ่กวัวพวกเราทั้งหลายจริงๆ อย่างนี้เราจึงได้เคารพนับถือนับตั้งแต่พระราชามาหากษัตริย์ลงไปจนถึงคนขอทานก็พากันเคารพกราบไหวบูชาเพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าพราะองค์นั่นนะเมื่อเวลาพราะองค์ยังมีกิเลสอยู่พระองค์ก็ยังคลองราสสมบัติยังบริโภคกามคุณอยู่ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเ ย, ยี่ยงอย่างคนธรรมดาสามัญทั่วไป ทั้งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยอย่างนี้แหละแล้ววันนี้เมื่อพระองค์เมื่อบุญวัฒนาบา ร, รมีที่ได้สั่งสมอรมมาแต่ก่อนมันเต็มบริบูรณ์แล้วมาถึงการเวลาแล้วนี้ม า, มากระตุ้นระไทัยของพระองค์ให้เห็นว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายต่างๆพูดถึงภัยของร่างกาย มีสองอย่างภัยภายในหนึ่งภัยภายนอกหนึ่งภัยภายในคือความแก่ความเจ็บความตายภัยภายนอกก็คืออักคีภัยไฟไหมอุทกะภัยน้ำท่วมเอแล้วก็สงครามภัยเกิดสงครามฆ่ากันรบราฆ่าฟันกันอ่นปีไปโมนี้นะโจรภัยเกิดโจรปล้นเอาจนหมดเนื้อหมดตัวภัย และภัยอื่นๆ น, นอกจากนี้ก็มีอทั้งไปเนี่ยภัยภายนอกภัยภายในกับความแก่ความเจ็บความตายเอาภัยเกี่ยวกับดวงจิตต้องตรงบ้านี้นะได้แก่ความโลภความโกรธ ค, ความหลงนี่เป็นภัยของจิตใจโดยตรงเลยนี่นะเหตุตัณฑจิตนี่ที่ยังเที่ยวเกิดเที่ยวตายในโลกนี่มันถึงได้เป็นทุกข์ มันยังได้ร้องไห้รำไรมันจึงได้แสดงความสะดุ้งหวาดกลัวอะไรต่ออะไรอยู่ทัลพัทนี่ให้พากันคิดดูให้ดีภัยทั้งหลายในโลกนี่นะพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นภัยดังกล่าวมานี่แหละพระองค์จึงเบื่อหน่ายในการคลองราชสมบัติแล้วจึงได้เสด็จออกบวชเพื่อที่จะแสวงหาทางหลุดพ้นจากภัยที่บัตรทรมทุกทัศน์เหล่านี้ แล้วก็จะได้มาช่วยเหลือผ ko ู้อื่นให้พ้นไปด้วยพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้โดยท่องแท้ด้วยพระปัญญาแล้วจึงได้สละราชสมบัติออกไปบวชเมื่อบวชแล้วพระองค์ก็ไม่ได้แสวงหาราบยศสรรเสริญอะไรในความเป็นนักบวชตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจิตใจสํารวมกายวาจาไม่ทำความชั่ว แล้วทาง จ, จิตใจก็พยายามปึกให้สงบระ ง, งับเพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงเวลามันก็ยังตัดสู้ไม่ได้ก็ต้องแสวงหาต้องพยายามอยู่นั่นตลอดถึงหกปีปีที่หกนี่แหละอ้าวถึงคราวแล้ววันนี้ถึงคราวที่ได้ตัดสู้แล้วก็จึงมีนิมิตมาบอกให้ว่าให้ด ำ, ดำเนินทางสายกลาง อเช่นนี้แล้วก็จะเป็นทางตัดสรู้ได้แต่ก่อนนี้พระ อ, องค์ก็อดนอนพร อ, อาหารจนร่างกายสู้พร้อมไปก็ไม่ได้ตัดสรู้อย่างนี้นะแต่เมื่อมีนิมิตมาบอกให้แล้วว่าให้ดําเนินทางสายกลางอย่างนี่พระ อ, องค์เจ้าจึงเที่ยวบินทาบาทมาฉันบํารุงร่างกายให้มีกําลังตามปกติแล้วจึงได้เริ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา บำเพ็ญทางจิตใจทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนี่เรียกว่าทางสายกลางนะเอา้าความประพฤติทางกายนั่งก็นั่งพอประมาณนอนก็นอนพอประมาณายืนเดิน ก, ก็พอประมาณการขบการฉันก็พอประมาณอาพอประทังร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ การดำเนินทางสายกลางส่วนร่างกายส่วนจิตใจนี่พระองค์เจ้าก็พยายามสํารวมไม่ให้มันคิดพุ่งสั้นไปด้วยอานาจแห่งความรักความชังความหลงความเมาต่างๆอย่างนี้ให้ส ง, งบเป็นสมาธิอยู่ในปัจจุบันให้มีสติกาหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหายใจออกก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ออย่างนี้นะบันดนี้หายใจออกก็กำหนดละสิ่งที่ควรละหายใจเข้าก็กำหนดละหายใจออกก็กำหนดละปล่อยวางธาตุสี่ขันห้าอันนี้ลงไปไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอืม หมายความว่ากำหนดรู้อยู่ในใจนั่นี่ยรู้ว่าใจเนี่ยปล่อยวางธาตุสี่ขันหานี่ไว้ตามสภาพมันไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี่น ะ, ะเมื่อมันปล่อยวางขันหานี่ลงได้แล้วอย่างนี้มันก็วางได้หมดทั้งโลกนี้เลยฮ ะ, ะถ้าเมื่อมันวางขันหานี่ยังไม่ได้แล้วมันก็วางโลกอันนี้ภายนอกนี่ไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นแหละขอให้เข้าใจ นี่เพราะเพราะเหตุฉะนั้นนะ่ะการที่พิจารณาดูโลกภายนอกดังอธิบายอย่างทิศดานให้ฟังนี่มันก็เพื่อที่จะตะล่อมเข้ามาเพื่อให้มาปงมาวางขันห้านี้เองเนี่ยเอาโลกภายนอกนะั้นไม่เป็นที่อยู่อย่างยั่งยืนทาวอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากลําบากเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอย่างนี้นะ อา้าวก็เช่นอย่างว่าเงินทองก็ของหามาได้แล้วอย่างนี้แล้วก็ใช้ไปก็หมดไปอาหารบริโภครับประทานแล้วก็หมดไปหมดไปอ่าอะไรต่ออะไรผ้านุ่งผ้าหม่มนุ่งห่มไปแล้วก็ผุไปขาดไปหาใหม่มาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแล้วเมื่อไรถึงจะจบสักทีบ่เนี้ถ้ามีอายุยืนอยู่ตั้งพันปีหมื่นปีแสนปีอย่างนี้ มันก็จะต้องเป็นวัตจักอยู่อย่างนี้แหละจะต้องหาอยู่หากินอยู่อย่างนี้จะต้องเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะการหาอาหารมาเลี้ยงมันร่างกายอันนี้นะมันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารนี้ถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วก็อยู่ไม่ได้ร่างกายนี่เอา้าถ้าไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มก็ไม่ไหวอ้อกเหมือนกัน มันก็ต้องหาเงินทองมาซื้อผ้านุ่งผ้าหม่มถ้าไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันพ้นกันลมกันแดดกันสัตว์ดุร้ายต่างๆอันนี้ก็อยู่ไม่ได้อีกไม่ไหวอีก อ, อย่างนี้แหละเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไม่มียุกยารักษาไม่มีโรงพยาบาลก็ไม่ได้อีกอย่างนี้นะให้สังเกตให้พิจารณาดูให้ดีร่างกายอันนี้นะ ดังนั้นน่ะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละจึงเกิดนิพิทาเบื้อน่ายในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้อ่เพราะมันเกี่ยวเนื่องอยู่กับภายนอกมันต้องหาสิ่งภายนอกมาบำรุงบำเรอจึงอยู่ได้การแสวงหาเะนั้นไม่ใช่ว่ามันสุขสบายอ่ามาดีน ะ, ะพูดถึงว่าคนผู้มีบุญเอาถ้าผู้มีบุญ ได้ทำกุศลคุณงามความดีมาแต่พางก่อนมากอะนี่บุญกุศลนำมาเกิดในโลกนี่บุญกุศลกระโดดบันาดให้ได้ปัจจัยสีนี่มาโดยง่ายโดยสะดวกอา่าไม่ไม่ได้กลากกำลําบากมากมายนะักนี่บุคคลผู้มีบุญน้อยอย่างนี้บุญกุศลอานั้นมาตกแต่งสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับได้แต่น้อยแล้ววันนี้นะออา่าเมื่อมันได้แต่น้อยมันไม่พอแก่ความประสงค์ก็เดือดร้อนนะ รีนลนแสวงหากันแสนทุกแสนยากแสนลำบากออย่างนี้นะเอาคนที่มีบุญน้อยจริงๆอเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยอที่บ้านที่เรือนจะเป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องไปอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่อย่างนี้นะไม่มีหลักฐานอะไรที่จะอํานวยความสะดวกสบายให้ยิ่งเป็นทุกข์หลาย นี่หลวงพี่นาดูความทุกข์ของคนเราเป็นชั้นๆลงไปอย่างนี้แหละนี่นะแล้ววันนี้หลองพี่นาดูสิพวกเทวดาอยู่วนสวรรค์ที่นี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรรู้แจ้งแทงตลอดแล้วทรงสแสดงว่าให้พุทธบริษัททางหลายฟังมนุษย์เรานี่แหละเมื่อประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วไม่ทําบาปไม่ทำกรรมมันชั่วดังกล่าวมานั่นแล้ว ทำแต่กรรมดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้แล้วทำบุญก็ทำมากด้วยรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ให้ใจมันเกาะมันคล้องอยู่ในโลกนีนะ้เมื่อหมดบุญในชาตินี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่สั่งสมมาในปัจจุบันนี้มันก็นำให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นเท ว, เทวดาบุญกุศลอันนี้มันมีกาลังมากว่านี้นะ มันก็นิรมิตรหรือว่าตกแต่งปราสาทราชมุนเทียนอันสวยๆงามๆให้ได้อยู่ได้อาศัยบุญอันนี้ก็ตกแต่งให้มีร่างกายอันละเอียดประณีตสวยงามผิวพรรณผุดพองไม่อืดอาดยืดหยาเหมือนอย่างรูปกายมนุษย์แบบนี้นะอยากจะไปไหนนึกอยากจะไปไหนตัวก็ลอยไปเลยไม่ได้มี รถลาเหมือนอย่างมนุษย์โลกของเรานี่ถึงจะมีก็มีเป็นรถทิพย์รถทิพย์อีกระลอยไปในอากาศไม่ได้วิ่งไปในบนพื้นดินเหมือนอย่างรถของมนุษย์เราไม่ไม่มีการขัดข้องไม่ได้ชนกันเลยรถทิพย์อ่ะไออย่างนี้แหละความถกด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำตกแต่งให้มันย่อมแตกต่างกันยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันอย่างนี้ แล้ววันนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายแม้ไปเกิดเป็นเทวดาหากก็ได้ภาวนาอยู่แต่เป็นมนุษย์แล้วได้มีปัญญามองเห็นสังขารดังพวงเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นส่วนหยาบก็ดีส่วนละเอียดก็ดีมันก็ไม่เที่ยงถึงจะไปเป็นเทวดาได้อาศัยของทิพย์ของละเอียดปานิตบรรจงอยู่อย่างนั้นมันก็ไปอยู่ช่วร ะ, ระยะหนึ่งเท่านั้น แต่ว่าอยู่ยั่งยืนนานกว่าอายุของมนุษย์เรามีความสุขไปนานถ้าเทียบกับปีเดือนของมนุษย์นี่มันก็นบนเป็นหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีนั่นเนี่ยไอ้ความสุขอยู่บนสวรรค์อย่างนี้นะแต่ถึงกับนนะั้นบุญกุศลที่ทาไปได้เป็นมนุษย์มันก็หมดเป็ น, เ, นเมื่อบุญหมดลงแล้วเทวดาก็ต้องตาย เทวดาตายไม่มีกองพรเผากันเหมือนอย่างมนุษย์เราตายแล้วร่างกายก็ปู우เป็นพัทธุรีเป็นผงธุรีไปเฉยๆอย่างนั้นมันละเอียดมากนี่นะดังนั้นให้พากันพิจารณาดูให้เห็นไอบุคคลที่จะได้บรรลถุถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะเหตุว่ามันอิ่มในความสุขในโลกอันนี้แล้ววันนี้นะโลกนี้โลกหน้านะ อ้าทำบุญกุศลในโลกนี้ล่ะตายแล้วไปเกิดเป็นเทวทดาบนสวรรค์ได้สวยความสุขในสวรรค์อยู่ไปภาวนาไปสำหรับผู้ปฏิบัติทรรมอยู่ในมนุษย์นี่นะเมื่อไปเกิดเป็นเทวดามันก็ไม่ลืมมันก็ภาวนาพิณาอานิจจังทุกขังอนัตตาไป อ, อย่างนี้พอรู้ว่าบุญนี่บุญเก่าที่ทามานะมันจะหมดลงแล้วมันก็แสดงให้เห็นแล้วดอกไม ทุบเทียนอะไรประดับประดาประสาทก็เศร้าหมองไปหิวแห้งไปผ้านุ่งผ้าห่มอะไดก็เศร้าหมองลงอผิวพันณวันนะ่ะก็เศร้าซีดลงไปเทวดาก็รู้ได้ว่าอายุบุญวัสนาจะหมดแล้วอายุจะหมดแล้วอออย่างนี้นะวันนี้ก็ผู้ที่ได้ภาวนาก็พินาศเบื่อหน่ายแล้ววันนี้โอ้ยความสุขในเทวดาก็ไม่เทียงมายังยืนโนอืน อ, อย่างนี้แหละ แต่เราในตำราท่านกล่าวไว้ว่าถ้าหากว่าเทวดาผู้มีบุญมากมีอายุยืนนะก็จะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาตัดสู้ในโลกแล้วเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาอย่างนี้นะเทวดาเหล่านั้นได้มาฟังอภิธรรมอันเป็นธรรมอันถุขุมรุ่มเลิกอย่างนั้นแล้วก็สามารถ บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในสวรรค์เลยนี่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแล้วท่านก็บำเพ็ญเรื่อยไปถ้าหากว่าได้บรรลุอกผลขันข้นต้นขั้นกลางอย่างนี้แล้วถ้าบรรลุอนาคามีท่านก็ไปเกิดในพรมโลกถ้าบรรลุอรหันต์ท่านก็เข้าสู่นิพพานไปแต่ทัตตาเทวดาตนในอินทจียงอ่อนอยู่ยังไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลอะไรได้อย่างนี้ ก็จะต้องจุดติลงมาสร้างบุญบา ร, รมีในโลกนี้อีกต่อไปนี่เป็นอย่างนี้แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลความดีในพระพุทธศาสนานี่นะอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสง่งดังนั้นพวกเราควรพากันกราบไหว้สักการะบูชาควรระลึกทำความเลื่อมใสในพระคุณดั้งสามนี้ไว้ในใจให้มั่นคงทีเดียว นึกว่าโอพระพุทธเจ้านะพระองค์สิ้นราคะโทสะโมหะแล้วน ะ, ะกิเลสทั้งหลายที่ลกพวนใจเราให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี่ไม่มีอยู่ในพระทยของพระองค์แล้วพระองค์จึงทรงพระคุณอันประเสริฐให้คิดลงตรงนี้ให้มากเราเองถ้าเราละกิเลสตอว น, นี้ให้หมดไปสิ้นไปแล้วเราก็ทรงคุณอันประเสริฐเรียกว่าพระนิพพานนั่นไม่มีไม่มียิ่งไม่มีย่อนกว่ากันเลย เสมอการมดบนัน้เมื่อถึงบันิพานแล้วนะแต่เมื่อยังไม่ถึงบันิพานนั้นไอ้คุณพิเศษต่างๆนั้นยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันพระสาวกที่ได้สําเร็จอราหันแล้วท่านก็ทรงคุณพิเศษอ่ะยิ่งน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงคุณพิเศษมากกว่าพระสาวกอเป็นอย่างนั้นคุณพิเศษทั้งหลายเราเนั้นก็ระ ง, งับไปหรือว่าเหลืออยู่แต่ในโลกไหมเด้วันทั้งว แบบนี้เมื่อเมื่อดวงจิตเข้าสู่นิพญานไปแล้วเสมอกันหมดเลยวบบนี้ไม่มียิ่งไม่มีย่อนกูกันแล้วอ น, อนั่นแหละจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของเราทั้งหลายอดังนั้นเมื่อได้สลับตับฟังแล้วขอให้พากันอจับเอาธรรมะคําสอนที่แนะนําสั่งสอนมานี่สุดแล้วจะใครจับอบายอันใดได้ได ก็จำเอาไว้แล้วเอาไปสอนจิตใจของตนเข้าไปให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะได้รีบเร่งทำความเพียรบาเพ็ญสมถะวิพัฒนานี้ให้แก่กล้าขึ้นไปจนบริบูรณ์ได้ด้วยดีแล้วก็จะได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไปดังแสดงมาก็ สมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้